บรรยายเมื่อวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2541ขออนุโมทนาที่ท่านทั้งหลายได้มีน้ำใจเป็นบุญเป็นกุศลมาร่วมในโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏวันนี้ได้รับนิมนต์ให้มาพูดเรื่องสู่ยุคใหม่ของสังคมไทยเมื่อกี้นี้ได้ยินประกาศเป็นยุคใหม่ของสังคมไทยเติมชนิดหนึ่งข้างหน้าว่าสู่ยุคใหม่ของสังคมไทยขอทําความเข้าใจกันนิดหน่อย เวลานี้เมืองไทยเนี่ยจะต้องเข้าสู่ยุคใหม่แล้วแต่พอพูดว่ายุคใหม่นี่หลายท่านก็คงคิดว่าอ๋อตอนนี้ยุคใหม่แล้วคือยุค i อ f อมนะแต่ก่อนนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้มีเพราะนั้นก็คงนึกว่าที่พูดกันบ่อยๆว่าไอเอมเอฟนี่เป็นยุคใหม่ความจริงไม่ใช่ไอ f อมอนี่มันช่ยุคใหม่ หรือแม้จะพูดให้เต็มว่าเป็นหนี้ไอเอ็มเอะไรก็ยังไม่ใช่ยุคใหม่แต่ที่เป็นหนี้ไอเอมเอเนี่ยเป็นยุคเก่าเป็นฉากสุดท้ายของยุคเก่าหรือเป็นอวสานของยุคเก่าเป็นจุดจบที่ว่ายุคเก่ากําลังจะสิ้นสุดลงยุคเก่าก็คือยุคที่ ทำกรรมมาจะก็ได้รับผลวิบากให้มาเจอ IMF เนะี่ยนั้นตอนเป็น IMF เนี่ยก็คือตอนรับผลกรรมที่ทำมาก็เป็นจุดจบ ข, ของยุคกก่าทีนี้เราจะต้องไปสู่ยุคใหม่แล้วเนะี่ยยุคใหม่นี่เราต้องสร้างขึ้นไม่ใช่มันจะมาได้เฉยเฉยเพราะฉะนั้นที่พูดว่าสู่ยุคใหม่ของสังคมไทยเนี่ย ต้องมองเลย IMF ไปถึงการที่เราจะต้องมาช่วยกันสร้างยุคใหม่ขึ้นมาให้สังคมนี้ก้าวต่อไปไม่ใช่มาหยุดอยู่แค่ IMF แล้วก็อันนี้ต้องถือว่าเป็นอวาสานของยุคเก่าแล้วนะพอพูดเรื่องนี้ก็มาเกี่ยวข้องกับโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติก็ต้องขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำพูด คำว่าปฏิบัติธรรมก็ดีเฉลิมพระเกียรติก็ดีเนี่ยเป็นคำที่มีความหมายพอพูดว่าปฏิบัติธรรมพุธศษาสนิกระชนปัจจุบันจานวนมากก็ น, นึกถึงการที่จะมาประชุมกันจานวนมากๆอย่างนี้ไปอยู่ที่วัดใดวัดหนึ่งแล้วก็ในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่งห้าวันสิบวันสิบห้าวันหรือแม้แต่เดือนนึง แล้วก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมหนึ่งจำกัดโดยสถานที่เช่นเป็นวัดวารามหรือเป็นสถานที่จัดเฉพาะสองจำกัดโดยการเวลาเช่นว่าห้าวันสิบวันเป็นต้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมายความว่าเอ๊ะนอกวัดนอกสถานที่นี้เราไม่ปฏิบัติธรรมกันหรือไงแล้วนอกเวลาที่ว่านอกห้าวันสิบวันเราไม่ปฏิบัติธรรมหรือไง มาปฏิบัติธรรมกันอยู่แค่เฉพาะที่เฉพาะเวลาอันจำกัดญาติโยงก็ต้องเถียงว่าไม่ใช่ฉันปฏิบัติธรรมตลอดเวลาแต่เถียงต้องมีหลักนะเนะี่ยจริงหรือแล้วทําไมเราจึงต้องมาพูดวันนี้มาปฏิบัติธรรมทาให้รู้สึกว่าเวลาอื่นไม่ได้ปฏิบัติธรรมปีหนึ่งสารอหกสิห้าวันมาปฏิบัติธรรมกันห้าวันเท่านั้นเอง เออถ้าอย่างนั้นถ้าจะแย่ปฏิบัติธรรมห้าวันสาม้หกสิบวันไม่ได้ปฏิบัติแล้แถมยังจำกัดในสถานที่อีกด้วยถ้าอย่างนี้พุทธศาสนาเห็นจัดุดน่เนี่ย <Yeah. S 1> ถ้าพุทธศาสนิกระชนปฏิบัติธรรมห้าวันแล้วก็จะเพาะต้องมาที่วัดที่สถานที่ใดที่หนึ่ง mm hmm. ก็ขอทำความเข้าใจว่าอย่างญาติโยมที่มาในที่นี้ ก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลา <Yeah. S 1> การมาในสถานที่นี้เป็นการปฏิบัติธรรมเป็นกรณีพิเศษถ้าจะใช้คําให้ชัดเจนหรือตรงยิ่งขึ้น <Yeah. S 1> ก็คือมาฝึกเข้มกันเราปฏิบัติธรรมกันเป็นธรรมดาในชีวิตของเราเสมอทุกวันทุกเวลาทุกสถานที่แต่ตอนนี้เรามาฝึกเข้มเพื่ออะไร <Yeah. S 1> เพื่อเราจะได้ความรู้ ได้ธรรมะเพิ่มเติมเพื่อจะได้หลักได้แนวทางที่จะเอาไปใช้ปฏิบัติให้ได้ผลดียิ่งขึ้นอันนี้ดีสําคัญนั้นชวนทําความเข้าใจกันสมัยว่าที่มาเนี่ยเป็นการฝึกเข้มปฏิบัติกันอยู่เสมอแต่ถ้าไม่มีฝึกเข้มจะมั่งแล้วบางทีก็เลยชักย่อหย่อนลงหรือว่าอย่างน้อยก็ทรงอยู่มาทําไห้ซุดก็ทรงก็ไม่เจริญกาวหน้า ็ขาจำจำเป็นจะต้องหาความรู้หรือมาฝึกฝนเป็นกรณีพิเศษอย่างนี้พอเรามาฝึกเข้มแล้วเราก็ได้ความรู้ได้แนวทางวิธีการเพิ่มเติมก็ไปปฏิบัติให้ได้ผลดียิ่งขึ้นเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นก็คือการนำธรรมะไปปฏิบัตินำธรรมะไปใช้ในการดำเนินชีวิตเอาธรรมะไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในความเป็นอยู่ประจาวัน ก็เช่นว่าเป็นพ่อแม่ต้องไปเป็นพ่อแม่ที่ดีเลี้ยงลูกให้ดีทำหน้าที่พ่อแม่อย่างนิติภพก็มีแล้วว่าพ่อแม่นั้นทำหน้าที่อะไรบ้างห้ามปรามลูกจากความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีให้ศึกษาศิลปะวิทยาเป็นธุระในการให้มีคู่ครองที่เหมาะสมมอบทับสมบัติให้ในการสมัยเป็นต้นหรือลูกก็เช่นเดียวกันก็มีหน้าที่ เรีว่าปฏิบัติธรรมต่อพ่อแม่ก็คือเลี้ยงท่านเลี้ยงเรามาแล้วก็เลี้ยงท่านตอบแทนช่วยเหลือกิจธุระการงานของท่านดํารงรักษาวงศตระกูลแล้วก็ประพฤติตนให้สมกับความเป็นญาติทหรือทรัพย์บรดกเมื่อท่านลงรับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้ท่านเนี่ยปฏิบัติธรรมทั้งนั้นเป็นใครเป็นใครก็ทําหน้าที่ของตัวเองหลักพุทธศาสนามีให้ทั้งนั้นเลย ก็นี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมหรืออย่างทํางานการอาชีพก็ประกอบสมอาชีวะมีความขยันหมั่นเพียรทําการอาชีพโดยสุจริตมีความรับผิดชอบตั้งหนา้าต่างตาทาให้การงานอาชีพนั้นเกิดประโยชน์กับสังคมอย่างนี้ก็ปฏิบัติธรรมหรือเอากันอย่างง่ายๆก็อย่างน้อยก็ถือศีลห้ากันเป็นประจําบ้านเมืองก็จะร่มเย็นเป็นสุขไม่ต้องติดยาบ้ากันเป็นต้น เนี่ยปฏิบัติธรรมนี่จาเป็นตลอดทุกเวลาดัะนั้นก็ต้องทำความเข้าใจกันบ่อยๆเพราะว่าคำพูดที่ใช้กันเวลาเนี้ยชวนให้เข้าใจผิดเป็นว่าต้องจากัดเวลาเท่านั้นไปสถานที่นั้นแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมกันเวลาอื่นก็กลายเป็นไม่ปฏิบัติธรรมนั้นทำความเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมต้องใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิตเป็นอยู่ตลอดทุกเวลา เมืออย่างใจเราเนี่ยไม่ไม่ใช่อยู่เฉพาะทีน่นี้ใจเรามีสุขมีทุกข์ตลอดเวลาไปอยู่บ้านก็นมีสุ ข, ม, สขมีทุกข์ใจไม่มีธรรมะเดี๋ยวก็ทุกข์อีกแล้วธรรมะไม่ไปช่วยในบ้านหรือช่วยเือกระทั่งนอนนั่นแหละจะนอนก็ต้องนอนได้จิตใจที่เบิกบานผ่องใสมีความสุขเนยจิตใจสงบมีสมาธิต้องทํากันเรื่อยไปตอนนี้เรามาฝึกเข้มแหละเพื่ออย่างที่ว่าจะได้ ความรู้ความเข้าใจได้หลักเป็นต้นเพิ่มเอาไปใช้ปฏิบัติให้ได้ผลดียิ่งขึ้นแล้วเราก็จะช่วยให้ธรรมะมีความหมายช่วยชีวิตและสังคมได้อย่างแท้จริงอันนี้อีกคำหนึ่งก็คือว่าเฉลอพระเกียรติเฉลอพระเกียรติก็หมายความว่าเชิดชูทำให้ปรากฏ เป็นความดีความงามทีนี้ว่าจะเชิดชูทำให้ปรากฏในทางที่ดีเนี่ยที่เรียกว่าเฉลิมพระเกียรติเนี่ยเราจะเอาอะไรไปเฉลิมจะไปช่วยให้พระเกียรติของพระองค์นี่ขจรขจายเป็นไปในทางที่ดีงามผู้คนแท้ซ้องนิยมสรรเสริญพารบบูชาเราเอาอะไรไปเฉลิม ก็ต้องเอาความดีก็ถูกในแค่หนึ่งเราเพราะฉะนั้นที่พูดกันว่าใช้สํามุามาปฏิบัติธรรมก็มาทําความดีเอาความดีนี้เฉลิมพระเกียรติก็ถูกขั้นหนึ่งเลยแต่ว่าแค่นี้ยังไม่พอจะให้พระเกียรตินี้ปรากฏเด่นชัดขึ้นมานี่ต้องสามารถทําให้ความดีเนี่ยเกิดผลเป็นจริงเป็นจงังออกมาในการแก้ปัญหาชีวิตในการสร้างสารรค์สังคม ให้เจริญงอกงามได้ด้วยไม่ใช่มาทำความดีกันเฉพาะตัวเฉพาะตัวก็จบต้องสามารถทำให้ความดีี่้เกิดมีผลออกมาดังนั้นจึงจะกลายเป็นการเฉลิมพระเกียรติได้นั้นตรงนี้จะต้องคิดกันให้มากว่าทำไงเราจะให้ความดีเนี่ยที่เราได้เล่าเรียนก็ตามได้ปฏิบัติก็ตามเนี่ยเกิดผลจริงจังมาในชีวิตของเราชีวิตเราก็ดีขึ้นสังคมเราก็ดีขึ้นอย่างนี้จึงจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเรื่องการเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ น, นั้นก็เป็นเรื่องระดับชาติเพราะพึงเป็นคู่บุญกับองค์พระประมุขของชาติพ่อเป็นเรื่องระดับชาติก็คือจะต้องให้ชาติไทยนี้ปรากฏความดีเด่นขจร อ, ออกไปก็ทำให้เกียรติคุณของประเทศชาติแพร่ไปด้วยการเฉลิมพระเกียรติในระดับชาติก็คือการที่เราจะต้อง สามารถเอาธรรมะเอาความดีนี้มาสร้างสรรค์ประเทศชาติสังคมให้เป็นสังคมที่ดีงามมีความร่มเย็นเป็นสุขมีศีลธรรมจเจริญก้าวหน้าให้คนอื่นเ้า n ิยมว่าประเทศไทยนี้สังคมไทยนี้เป็นสังคมที่ดีเป็นสังคมที่จเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเป็นสังคมที่เก่งแต่ไม่ใช่เก่งเฉยเฉยดีด้วยทั้งเก่งทั้งดีหรือดีในความเก่งในความดี ถ้าทําได้อย่างนี้แล้วก็เป็นการเฉลิมเกียรติที่แท้จริงไม่ใช่ว่าเรามานั่งกันแล้วก็มาปฏิบัติอย่างที่เรียกเรียกกันแล้วก็จบไปจบไปทีจบไปทีก็คิดก้าวต่อไปอย่างนี้ให้มันมีผลกว้างไกลระยะยาวอย่างที่ว่าไม่ใช่ว่ามาแค่ห้าวันจบแต่ให้ห้าวันนี้ส่งผลไปเป็นตลอดปีตลอดสิบปียี่สิบปีส่งผลกว้างขวางจากพุทธมนตรนี้ออกไปทั่วกรุงเทพทั่ว ประเทศไทยทุกจังหวัดเนี่ยออกไปจนกระทั่งว่าปรากฏในโลกได้อย่างนั้นจึงจะเป็นที่น่าพอใจและจึงจะชื่อว่าเฉลิมพระเกียรติไม่งั้นก็จะไปเฉลิมพระเกียรติอะไรกัน น, นีก็เป็นเพียงว่าเรามาร่วมอาศัยพระเกียรติไปสิเพราะฉะนั้นถ้าต้องทําให้ดีจะเป็นผู้เฉลิมพระเกียรตินี่ต้องเกง่งแล้วก็ขอทําความเข้าใจกันว่าจะต้องทําให้ได้ในระดับนี้ นี่ก็หันมาพูดกันถึงเรื่องยุคเก่ายุคใหม่ละว่ายุคเก่ายุคใหม่ตอนนี้บอกแล้วว่าเป็นยุคที่กำลังจะสิ้นสุดเป็นเวลาที่จะสิ้นสุดยุคเก่าเอาไอเ็มเอฟนี่มาเป็นเครื่องหมายของฉากสุดท้ายของยุคเก่าหรืออาวสานของยุคเก่าต่อไปนี้ก็มาสร้างยุคใหม่กันทีนี้ยุคเก่านี่เป็นยังไงยุคเก่านี่ เป็นยุคที่มองเราไปลองทวนความจำลองนึกทบทวนเหตุการณ์สภาพเมืองไทยที่ผ่านมาทิ่เป็นยังไงที่มานํำมาสู่ฉากสุดท้ายที่มาเป็นนี่ IMF เนี่ยยุคเก่าที่ผ่านมาสังคมไทยนี่พูดกันบ่อยก็คือว่าเป็นยุคที่มีความรุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมากับการกินการใช้การเสพการบริโภค ปรากฏทั่วไปหมดเลยแล้วก็หลงไหลข่านิยมตะวันตกชื่นชมกับวัฒนธรรมตะวันตกอยากใช้ของดีๆเอามาอวดกันเนเพร้อมกับการเป็นนักบริโภคด้วยชอบบริโภคแล้วก็บริโภคมาแข่งกันขังใครในสิ่งฟุ้งเฟอ้อหรูหราเป็นตั้งแต่ผู้ใหญ่จนกระทั่งเด็กนักเรียน แข่งกันทัืงเสื้อผ้าเป็นยีห่ห้อนั้นยีห่ห้อนี้กระเป๋ายีห่ห้อนั้นยีห่ห้อนี้ราคาแพงๆประโยชน์ใช้สอยแทบไม่มีไม่ได้เป็นประโยชน์มากกว่าของราคาถูกๆของราคามื่นหนึ่งมีค่าในการใช้สอยเท่าของราคาร้อยบาทและทีไม่เหมาะสมกับสภาพแวลอมเขาตนเองด้วยแล้วก็ใช้กั น, กนไปๆเขาเพราะค่านิยมเท่านั้นเอง อันนี้นี่แหละเป็นจุดสาคัญที่นำประเทศชาติมาสู่ความที่เรียกว่าย่อยยับและเดี๋ยวนี้ขนาดเกิดเหตุเพศภัยอย่างนี้แล้วก็ยังมีทํากันอยู่ไม่สำนึกถ้าแก่อันนี้ไม่ได้ละยุคเก่ามันไม่พ้นเพราะนั้นจะต้องรีบแล้วก็ น, นึกว่าเนี่ยตัวเองจเจริญอย่างตะวันตกที่ไหนได้นึกว่าตัวเองเอาอย่างเขาจเจริญอย่างเขาเปล่าเอาอย่างก็เอา แต่สิ่งที่ฉาบฉวยผิวเผินสิ่งที่เป็นของแท้จริงที่เป็นดีเป็นสาระเป็นประโยชน์ก็ไม่เอาก็ขอเล่าแทรกนิดหน่อยปีก่อนๆบางปีจะมาก็เคยได้รับนิ ม, มนต์ไปก็ไปเจอกญาติโยมที่เมืองอเมริกาครอบครัวคนไทยนี่แหละที่ไปอยู่นานๆนนลูกเขาก็เกิดในอเมริกาแล้วก็มีสัญชาติเป็นฝรั่งเป็นอเมริกันไป ขึ้นก็ไปเรียนหนังสือในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยของฝรัง่งนานๆก็จะมีญาติมาจากเมืองไทยไปเยี่ยมพ่อแม่ครอบครัวไทยที่อยู่นั่นก็พูดเล่าบนให้ฟังพรอะว่าพี่น้องของเขาเนี่ยมาจากเมืองไทยแปลกมาเที่ยวหาซื้อของราคาแพงๆของผู้สวยไปให้ลูกอย่างที่ว่าเมื่อกี้เช่นว่ากระเป๋าแพงๆยี่ห้อ น, นั้นยี่ห้อ น, นี้ ลูกเขาอยู่เมืองนั้นไม่เห็นวีเลยไม่เห็นเอาใจใส่เสื้อผ้าก็ใช้พอให้มันใช้ประโยชน์ไปเสื้อผ้าปกปิดร่างกายเป็นต้นกันหนาวกันร้อนอะไรไปกระเป๋าก็ไม่เห็นจะมีความสําคัญอะไรก็ไปเรียนหนังสือกันภาระก็คือว่าเขาสั่งงานมาให้คนให้เรียนอะไรก็ไปค้นหาความรู้ก็ต้องแข่งกันในเรื่องความรู้ในเรื่องวิชาพระตัวเป็นนักเรียน ตอนนี้พอแมเมืองไทยนี่แปลกไปเที่ยวหาของแฟงๆให้ลูกเขาก็ประหลาดใจเนี่ยเรานึกว่าเราเอาอย่างฝรั่งเปล่าเอาอย่างก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นแม้แต่วัฒนธรรมตะวันตกที่เราเกี่ยวข้องและจําเป็นต้องเกี่ยวข้องเราก็จะต้องวิเคราะห์ให้ถูกต้องด้วยปัญญาว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญของเขาอะไรเป็นตัวแท้ตัวจริงจับเหตุให้ได้ เลืกเอาสิ่งที่ดีมาใช้ประโยชน์ไม่ใช่จะเป็นหลงจับเอาสิ่งผิวผิวเผินเปินเป็นผลผลิตสิ่งบริโภคมาเสพมาฟุ่มเฟือยกลายเป็นเหยื่อล่อของเขาเขาก็รอให้เราซื้อสินค้าเขาสบายไปก็ซื้อดีตัวเองก็เงินทองก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วแล้วไปซื้อสินค้าเขาเพิ่มความร่ํารวยแก่ผู้ผลิตนี่ยคนที่รวยอยู่แล้วก็ยิ่งรวยหนักเข้าไปอันนี้ยิ่งเดี๋ยวนี้ด้วย ไปกู้เงินเข้ามาแล้วก็เอาเงินกู้ไปซื้อของเขาเออเขาได้สองชั้นเขาเป็นเจ้านี้ด้วยจะต้องเอาเงินจากเราและแล้วเงินที่กู้เข้ามาก็ไปซื้อของเขาไปเพิ่มความรวยให้เขาอีกสองชั้นเลยขอภัยนี่เป็นงินคนโง่หรือคนฉลาดพฤติกรรมของคนไทยแบบนี้นี่อันตรายต่อประเทศชาติอย่างยิ่งเราไม่ได้คิดว่าเราทําด้วยปัญญาหรือโมหะกันแน่ น, นพฤติกรรมแบบนี้จะต้องเลิกเชิดชูมันสัทีเป็นเด็กเป็นนักเรียนอยู่โรงเรียนนึกว่านี่เป็นความโก้ที่ไหนได้เป็นความโง่เน่โก้กับโง่มันใกล้ๆกันอยู่นะดัะนั้นต้องคิดใหม่เปลี่ยนโก้เป็นโง่ไปแล้วเพราะว่าไอ้ที่จะโก้ จ, กจริงๆนี่มันต้องโก้อย่างฉลาดด้วยด้วยปัญญาแต่ไม่จำเป็นต้องไปเอาโก้หรอกพธศาสนาไม่ได้สารเสินอะไร เอาชีวิตที่ดีงามที่เกิดจากปัญญาความรู้จริงอะไรเป็นเหตุของประโยชน์สุขที่แท้อันนั้นแหละสำคัญเรื่องนี้เป็นตัวอย่างอาตมาก็ขอเล่าแทรกว่าแม้แต่เราจะไปเอาวัฒนธรรมตะวันตกเราก็ยังจับไม่เป็นไม่ได้จับมาได้ปัญญาถ้าเราจับมาได้ปัญญาวิเคราะห์อะไรเป็นเหตุความเจริญแท้จริงของเขาแล้วเราเอามาใช้ประโยชน์ซะ เราก็มาสร้างสารรพประเทศชาติของเราให้เจริญงอกงามของดีของเราก็มีของนอกก็เอามาใช้ได้ก็ขอย้ำอีกเรื่องนี้พูดบ่อยๆดีที่เรามีต้องรักษาไวให้ได้ดีใหม่ที่ยังไม่มีก็ต้องไปเอาอย่างนี้จึงจะเป็นคนที่เก่งจริงอันนี้ดีที่มีก็ทิ้งซะดีที่ยังไม่มีก็ไปเอาไม่ได้ดีเก่าก็ไม่รักษาดีใหม่ก็เอาไม่ได้ก็แย่สิ สังคมไทยในขณะที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นอย่างนี้ไม่ว่าระดับใหญ่ระดับเล็กระดับใหญ่ก็เช่นว่าดีเก่าที่ตัวมีรักษาไว้ไม่ค่อยได้อย่างการเกษตรที่ดีเก่งเดิมเนี่ยรักษาไว้ไม่ค่อยได้ดีใหม่อุตสาหกรรมจะไปเอาก็ไม่สําเร็จตอนนี้แย่ไปเลยอุตสาหกรรมเพราะนั้นถ้าเก่งจริงเนี่ยดีที่ตัวมีก็ต้องรักษาได้ดีใหม่ที่ยังไม่มีก็ต้องก้าวไปเอามาให้สําเร็จอย่างนั้นจึงจะเก่งจริง ก็พฤติกรรมก็เป็นไปอย่างที่ว่าคือสภาพของความรุ่มหลงคลั่งไคล้บวเมาในการเสพ บ, บริโภคแล้วก็หลงไหลเพลิดเพลินใน่านิยมวัฒนธรรมตะวันตกในทางจิตใจก็อ่อนแอเพราะเป็นคนนักเสพนักบริโภคเนี่ยก็จะเกิดความอ่อนแอคนที่ชอบบริโภคนี้เป็นคนชอบการรับความบำรุงเรื เขาบริโภคนี่ก็ต้องได้กินได้ใช้เป็นผู้เสพให้เขาบำรุงบำรเรอเนี่ยเป็นผู้เอาผลสําเร็จมาบริโภคแต่ว่าเลือกทํำยังไงไม่ต้องพูดเมื่อคนนี้เป็นนักเสพบริโภคสรุปผลนี่ก็ย่อมอ่อนแอลงเพราะไม่ทําคนที่จะเข้มแข็งนั้นต้องเป็นคนทําเมื่อมีการทําก็ต้องมีความเพียรพยายามเนี่ยคนก็เข้มแข็งขึ้นเขาเรียกว่าเป็นคู่กันระหว่าง น, นักผลิตกับ น, นักบริโภคนักบริโภคต้องอ่อนแอลง นักผลิตก็เข้มแข็งขึ้นเมืองไทยนี่ต้องยอมรับตัวเองว่าเป็นนักบริโภคนักผลิตหายากคณะต้องเปลี่ยนให้เป็นนักผลิตให้ได้ในเมื่อเป็นนักบริโภคแล้วไม่ผลิตไม่ทําขึ้นมาก็รอพึ่ง อ, อีกแล้วนะรอหวังพึ่งคนอื่นให้เขาโดนบรรดาลให้เอามาให้รอลาบโดยเฉพาะลาบลอยให้เขาบรรดาลให้สําเร็จรอโชคคือไม่คิดจะทํา แต่คิดจะเสพผลเป็นนักเสวยผลจะเอาแต่ผลไม่ทำเหตุชอบเอาผลไม่ทำเหตุอันนี้ไปไม่ไหวมองอะไรก็มองแค่ผลมันจะมองฝลั่งก็มองผลความเจริญของเขาไม่มองเหตุว่าฝลั่งสร้างความเจริญมาอย่างไรนคนไทยเรามองแบบนักบริโภคหมดเคยยกตัวอย่างบ่อยๆเช่นมองคำว่าเจริญอย่างฝลัง่งเพราะคนไทยอยากเจริญอย่างฝรั่ง บอว่าเจริญอย่างฝรั่งคืออะไรเจริญอย่างฝรั่งมีสองแบบแบบนักบริโภคกับนักผลิตมองแบบนักบริโภคเจริญอย่างฝรั่งคือมีกินมีใช้อย่างฝรั่งมองแบบนักผลิตคือเจริญอย่างฝรั่งคือฝรั่งทำอะไรได้ฉันก็ต้องทำได้ด้วยเอ้าวทีนี้คนไทยเรามองแบบนักผลิตหรือนักบริโภคแค่เจริญอย่างฝรั่งเท่านี้ ก็มองแบบนักบริโภคไปถามก็เด็กก็ตอบอย่างเงี้ยถามเด็กมัธยมก็ตอบอย่างเงี้ยบอกว่าให้พิจรารณาดูสิคนไทยเรามองความหมายคําว่าจเจริญอย่างฝรั่งเนี่ยมองแบบนักผลิตหรือนักบริโภคเด็กบอกว่ามองแบบนักบริโภคมองแบบนักบริโภคคือว่าจเจริญอย่างฝลั่งคือมีกินมีใช้อย่างฝรั่งฝลั่งมีทีวี ì, ฉันมีทีวีด้วยฝลั่งมีคอมพิวเตอร์ฉันมีด้วยฝลั่งมีมือถือฉันมีมือถือด้วย แต่ว่าไม่มองแบบนักผลิตว่าฝรั่งทําอะไรได้ฉันต้องทําได้อย่างนั้นด้วยนี่อย่างนี้ถ้าอย่างนี้แล้วก็ชาติไทยพัฒนาแน่แล้วต้องเปลี่ยนที่ว่าจะเข้ายุคใหม่ก็คืออย่างนี้แหละเช่นมองความเจริญอย่างฝรั่งเนี่ยต้องมองว่าเจริญอย่างฝรั่งคือฝรั่งทําอะไรได้ฉันต้องทําอย่างนั้นได้ถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็บอกฉันจะต้องทําให้ดียิ่งกว่าฝรั่งอีกถ้าอย่างนี้แล้วก็ไปได้แนะ่เนี่ยแหละ ที่ต้องการให้ข้าวยุคใหม่คือเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนทา่าทีเปลี่ยนการมองความหมายของสิ่งต่างๆเปลี่ยนกันอย่างพลิกหน้ามือเป็นหลังมือกันไปเลยตอนนี้เราเปลี่ยนพลิกหลังมือมาเป็นหน้ามือซะจะไปเปลี่ยนพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนให้มันถูกเปลี่ยนให้ดีที่ผ่านมา อ, อย่างยุคเก่าเครื่องหมายอะไรเต็มไปหมดเมืองไทย ลทัทธิรอผลโดนบรรดาลรอผลโดนบรรดาลโดยไม่ต้องทำอยากให้เขาทำให้รอผู้วิเศษรอเทว ด, ดารอเจ้าพ่อเจ้าแม่รออิทธิฤทธิปาฏิหาริยศาสตร์มาบรรดาลผลนี่รอผลโดนบรรดาลจนกระทั่งรอผลดนบรรดาลจะผู้มีอำนาจผู้มีทรัพย์ภายนอก ไม่คิดจะทําเหตุได้ตนเองอันนี้สําคัญมากที่ผ่านมานี้ทั่วไปหมดสังคมไทยเราเราจะต้องมาพิจารณาตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้แล้วว่าอัตนาโจทย์ตาหนังจงเตือนตอนด้วยตนเองจงโจทย์ตนด้วยตนเองปฏิบังเสตะมัตนาพึงพิจารณาตนด้วยตนตอนนี้เราต้องมาพิจารณาตัวเองแล้วแก้ไขซะใครจะช่วยเราจริงไม่ได้หรอกสู้เรา แก้ไขปรับปรุงตัวเองเนี่ยเป็นดีที่สุดรัฐที่รอผลโดนบรรดาลหนึ่งความเป็นนักเสพนักบริโภคหนึ่งการติดยากล่อมหนึ่งนสังคมไทยนี่ยากล่อมเยอะสุรายากล่อมการพ น, นันก็ยากล่อมนมีทุกมีร้อนไปพึ่งยากล่อมยากล่อมจงกระทั่งว่าไปไปมามาก็ยาบ้า ตอนนี้ยากรอบนี้ร้ายแรงมากทำอันตรายกับสังคมอย่างยิ่งและก็การพ น, นันก็ยากรอบหวยเบอร์ทางนั้น <Yeah. S 1> แม้แต่มาปฏิบัติสมาธิก็ยังมาปฏิบัติแบบเอาเป็นยากรอบ <Yeah. S 1> คือกรอมใจให้หายทุกชั่วคราวแทนที่จะเอาสมาธิเป็นพลังในการที่จะไปแก้ปัญหาสร้างสารรค์ชีวิตทำชีวิตให้ดีงามเป็นเครื่องเจริญปัญญาทาจิตให้เป็นกรรมนิยังให้เหมาะกับการใช้งาน สมาธินี่คุณค่าประโยชน์ที่แท้อยู่ที่ทำจิตให้เป็นกรรมนิยะคือเหมาะกับการใช้งานจะเจริญปัญญาอะไรก็ใช้ต่อไปไม่ใช่ไปนั่งซึมน่กล่อมตัวคือยากกล่อมนี่เขาต้องใช้ชั่วคราวเช่นยานอนหลับเวลาเรามีปัญหามากๆมีทุกข์มีร้อนกระวลก็วายใจว้าวุ่นนอนไม่หลับเอามาใช้ชั่วคราวพอให้หลับแก้ปัญหาแล้วเลิกใช้อย่าไปกล่อมต่อรับ ถ้าอยู่ได้ยากล่อมแล้วก็ไม่ไหวชีวิตนี้เสื่อมฉะนั้นเอายากล่อมมาพักใจถ้าใช้สมาธิแบบยากล่อมก็ต้องใช้พอแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่ถ้าใช้เป็นยากล่อมต่อไปนี่พลาดจะตกอยู่ในความเสื่อมกลายเป็นผู้ประมาทท่านตัดท่านสื่อเตือนไว้แล้วนะสมาธิเป็นฝักฝ่ายแห่งโกศเชะใช่ไหมญาติโยมที่ศึกษาเนี่ย สมาธิเป็นปักฝ่ายแห่งโกศชาหมายความว่าไงมันพวกเดียวกันความขี้เกียจวงอนเนสมาธิเนี่ยมันมีผลดีมากแต่ต้องใช้ให้เป็นถ้าใช้เป็นลราเพิ่มพลังแล้วก็ทําให้จิตนิสัยปัญญาเกิดแต่ถ้าใช้ไม่เป็นนะมันเป็นปักฝ่ายแห่งโกสศชาชวนให้เกียจคร้านซึมสบายแล้วพอมีความสุขฉันก็ไม่ไปไหนและเ น, นอนอนนี่ก็เสื่อมเลยแล้วตกอยู่ในความประมาท เพราะฉะนั้นมันเป็นจุดเหมือนกับว่าจุดเส้นขาบเกี่ยวต่อแดนระหว่างอากุศลกับกุศลสมาธิใช้ ไ, ไม่เป็นก็เป็นปัจจัยแก่อกุศลหลักท่านมีอยู่แล้วกุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลก็ได้อกุศลเป็นปัจจัยแกกุศลก็ได้ไม่ต้องพูดถึงว่ากุศลเป็นปัจจัยแกกุศลแล้วก็อกุศลเป็นปัจจัยแกอกุศล เราใช้ไม่เป็นกุศลก็เป็นปัจจัยแก่อกุศลคนใช้สมาธิไม่เป็นก็กลายเป็นปัจจัยของความเกียดแค้นเป็นอกุศลไปหรือบางคนใช้ไม่เป็นก็เอาไปสนับสนุนเพิ่มพลังเหมือนกันแต่เพิ่มพลังในการที่จะไปทํางานทําการให้เก่งเพื่อจะได้ไปหาผลประโยชน์ให้ตัวตนเบียดเบียนผู้อื่นก็มีอย่างที่ฝรั่งเราไปใช้เ่ยเวลานี้ฝรั่งนี่ฝึกสมาธิจํานวนมากเลยทีเดียวที่โฆษณากันเข้าคอร์สทีหนึ่งนี้ เป็นพันเป็นหมื่นเลยนะน ะ, ะโฆษณาบอกว่าโนั่งสมาธิแล้วเนี่ยจิตสงบมั่นคงเข้มแข็งจะไปทํางานทําการเป็นนักธุรกิจก็ได้สําเร็จประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจได้ผลประโยชน์กําไรสูงสุดแต่ว่าใจที่คิดหาผลประโยชน์ธุรกิจเนี่ยมันเป็นโลภะประกอบด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นก็เลยกลายเป็นว่าเอาสมาธิไปใช้เป็นเครื่องหนุนธุรกิจ ในการที่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนและเบียดเบียนผู้อื่นในการแข่งขันกันเป็นตน้นเนี่ยฝรั่งเอาไปใช้แบบนี้เดี๋ไปชื่นชมกขาเลยฝรั่งเวลานี้ที่พลาดเวลาตื่นสมาธิเนี่ยมีหลายพวกพวกที่ปฏิบัติผิดก็เยอะพวกหนึ่งก็คือว่าเอาเป็นยากล่อมเพราะฝรั่งนีทุกใจมากใจมันสับสนกระวนกระวายแข่งขันกันเบียดเบียนกันก็เลยจิตใจเครียดมาก เพลีว่าก็เาสมาธิไปช่วยปัญยากล่อมให้หายเครียดพวกนี้ก็ได้ไปขั้นหนึ่งแต่อย่าไปหลงเพลินๆกับเขาเลยมันได้แค่ขั้นหนึ่งขั้นต้นเท่านั้นเองนี้ถ้าไปหลงอย่างนี้ก็ผิดแหละผิดทางนี่พวกอีกพวกหนึ่งก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้ที่โฆษณา ก, กันสำนักนั้นสำนักนี้นนนเอาสมาธิไปปฏิบัติเพื่อจะไปหนุนระบบธุรกิจของเขานะให้เก่งในการหากําไรฉะนั้นก็เบียดเบียนโลกพวกนี้ก็เป็นสมาธิแบบ ที่ใช้ผิดทางถ้าจะเรียกอย่างแรงก็เรียกว่ามิจฉาสมาธิกันแล้วกันนั้นญาติโยมอย่าไปหลงเพลินเราเนี่ยเราเป็นผู้ที่ชํานาญกว่าในเรื่องพุทธศาสนาฉไหนจึงไปเพลิดเพลินหลงเพลินว่าฝรั่งเข้ามาชอบพุทธศาสนาอย่างนั้นอย่างนี้ต้องสอนเขาเขาปฏิบัติผิดปฏิบัติถูกฝรั่งรู้จักพุทธศาสนาก็ดีแล้วแต่คุณควรจะรู้จักให้มันดีขึ้นให้มันถูกต้อง แต่ไม่ใช่เตือนเขาอย่างเดียวนะเราก็ต้องเตือนตัวเองด้วยเตือนตัวเองให้ปฏิบัติให้ถูกเอาล่ะเดี๋ยวจะออกนอกทางไปก็ไปอ่านว่ายากล่อมนี่มีเยอะในสังคมไทยอย่าไปติดยากล่อมยากล่อมก็อ่อนแอก็หยุดไม่ไปไหนแล้วไม่เจริญก้าวหนะ้านั่นก็ยังมีปัญหาอีกลึกลงไปก็คือทิฏฐิความหลงผิดเข้าใจผิดแม้แต่เรื่องในทางธรรมะเยอะเลยเวลานี้ แม้แต่ถ้อยคำธรรมะนี่กูมาใช้กันเข้าใจผิดผิดหมดว่าสนาบารมีกรรมเก่าอะไรอะไรเข้าใจกันผิดหมดเลยควรจะสอนทยานากรสตีมีเวลาน้อยอาตมาจะยกตัวอย่างเช่นเรื่องการถือกรรมเก่าคนไทยชาวพุทธไม่น้อยเลยยังนับถือกันผิดผิดเรื่องกรรมเก่าโอ้ยมันจะเป็นยังไงกันแล้วแต่กรรมกันแล้วกัน หรือว่าเอออันนี้เป็นผลกรรมกล่าวก็รับกรรมไปก้มหน้ารับกรรมไปแล้วก็ไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงไม่ทําความเพียรเพยรยามก็ปล่อยใช้คําว่าปลงก็ปลงกรรมกรรมบอกแล้วแต่กรรมก็เลยจบกันไม่ต้องทําอะไรเรื่องนี้เป็นมาตั้งหลายร้อยปีในสังคมไทยอาตมาก็เลยจะเล่าเรื่องให้ฟังสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครั้งหนึ่ง อง์สมเด็จพระนารายมหาราชนั่นเองได้มีพระราชปุจชฉาพระราชบุจชฉาก็คือคำถามของพระราชชาตั้งถามคณะสนพระรานารายมหาราชนี้นานเท่าไรละโยมพอศ .2199 ถึง2231ครองราชยุทธ์32ปีก็นับคร่าวๆถึงปัจจุบันนี้ก็300ปีเสร็จนี่ตั้งแต่สมัยพระนารายมหาราช ทรงมีพระราชปุถฉาเนี่ยพระราชปุถช า, ชานี้จะมาเตือนชาวพุทธปัจจุบันให้มองตัวเองสำรวจตัวเองทรงถามว่าอย่างไรนะโยมลองฟังดูมีพระราชองค์การสั่งให้พระศีศรัตถามพระสงฆ์ทั้งปวงว่ามีคนผู้หนึ่งเข้าไปป่าแลพบช้างก็ดีเสือก็ดีแลผู้นั้นก็ถือว่าแล้วแต่กรรมช้างและเสือก็จะทำราย หากรรมไม่ได้ช้างและเสือก็จะไม่ได้ทำร้ายและผู้นั้นก็เข้าไปหาช้างและเสือช้างและเสือก็เบียดเบียนผู้นั้นถึงสิ้นชีวิตเมื่อกอะนั้นจะว่ากรรมมีหรือหากรรมไม่ได้อ้าวโยมฟังไว้นะนเข้าไปป่าเนี่ยแลกแต่กรรมก็แล้วกันถ้ากรรมเรามีก็โดนเสือกินก็กินไปเนี่ยถ้ากรรมเราไม่มีเสือมันก็ไม่กิน ช้างก็ไม่ทำร้ายเออคิดไว้อย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าแล้วแต่กรรมนี่ฟังพระเถระวิสัชนานสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ขอถวายพระพรจำเริญพระราชสิริสวัสดีสมเด็จบรมบอพิษพระราชสมภารพระองค์บรมธรรมวิกราชาธิราชผู้ประเสริฐว่าบุคคลผู้ใดแล ถือว่าแล้วแต่กรรมกระทำแต่ก่อนสิ่งเดียวนั้นและหาวิจารณะปัญญาอันพิจารณาเห็นคุณและโทษในชาตินี้ไม่ได้และผู้นั้นเชื่อว่าปุเพกะตะทิฏฐิอันวิปลาสว่านี้เลยนะปุเพกะตะทิฏฐิอันวิปลาสว่านี้เลยสมเด็จวัตถุตุโภศาจารย์ว่าและท่านก็บรรยายต่อไปที่นียาวแต่มาจะไม่อ่านยังมีอีกพระเถราผู้ใหญ่องค์ก็วิจารณาเหมือนกันบอกว่าพระธรรมตรโลก ถวายพระพรว่าบุคคลอันถือเอาซึ่งกรรมนั้นแลมิได้พิจารณาซึ่งเหตุอันผิดและชอบนั้นได้ชื่อว่าปุเพกะตะเหตุตุทิฏฐิเป็นคนถือผิดคําพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์วิบัติประกอบกรรมอันผิดหาปัญญาวิได้เหตุโมหะมีกรรมหลังซึ่งกรรมแต่ก่อนหาวิได้นั้นก็จะให้มีไปใหม่ ซึ่งกรรมอันใหม่ยังไปไม่ได้นั้นก็จะให้มีไปเล่าและบุคคลผู้นี้ประพฤติผิดสำโดนของพระธรรมใจโลกนี้คนสมัยใหม่บางทีฟังยากหน่อยแต่ก็จับความได้เป็นอันว่าผิดชัดเจนอันนี้แหละเอามาทบทวนกันสักก็ดีที่ท่านอ้างเนี่ยญาติโยมไม่ค่อยได้ยินเลยลัทธิปุเพกตาเหตุตุมีอยู่ในพระใจปิดดกมีทั้งในพระสูและใพิธรมเลย เขาเรียกว่าติฐายตันะครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้ากับวว่าภิกษุทั้งหลายติดถายตันนะลัทธิเดียรถีเอาง่ายๆติดถายันนะโยมฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจกลายเป็นไทยว่าลทัทธิเดียรถีมีสามต่อไปนี้อะไรบ้างหนึ่งบุคคลมามีความเห็นมาเชื่อมาถือว่าผู้ใด จะประสบทุกก็ดีสุกขก็ดีหาสุขหาทุกมีในกะดีเป็นเพราะกรรมที่ทำไว้แต่ผลหลังตามตามก่อนหนึ่งนะนี่แหละที่นี้ท่ท่านาเรียกว่าปุเพกะตะเหตุวาหรือเรียกกันว่าปุเพกะตะเหตุทิฏฐิหรือเรียกกันก็ไปอีกเรียกว่าปุเพกะตะวะโยมฟังให้ดีนะหนึ่งเอ๊ะ นี่เราโดนเขาแล้วมั้งนะหรือเอ๊ะอาจจะเถียงว่าเอ๊ะเราพุทธศาสนาไม่ใช่สอนอย่างนี้หรือนะจงแยกให้ดีทำไมท่านบอกว่าเป็นเหตุเป็นดิลัพทิ่ฐิรัติเลยนะสองผู้ใดมามีทิฏฐิยึดถือว่าบุคคลจะประสบสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมีใช่สุขมีใช่ทุกข์ก็ดีเป็นเพราะ การโดนบรรดาลของเทพผู้ยิงย่งใหญ่เพราะนั้นลัทธินี้เรียกว่าอิสระนิมมานเหตุวา่าคือลทัทธิอ่สวบรรดาพระผู้เป็นเจ้าบรรดาเทพเจ้าบรรดาอะไรจะเป็นไงก็แล้วแต่เทพเัญญาก็อ้อนวอนเอานะต่อไปลทัทธิที่สามบุคคลที่มามีความเชื่อถือทิฏฐิว่าจะประสบสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ก็ดี ย่อมแล้วแต่โชคหาเหตุหาปัจจัยไม่ได้ถึงคลามันจะดีก็ดีเองถึงคลามันจะไร่ก็ไร่เองนี่สามลัทธิน่ะลัทธินี้เรียกว่าลัทธิอเหตุต่อปัจจัยว่าลัทธิหาเหตุหาปัจจัยไม่ได้เนี่ยติดฐายานนาสามอันนีจะต้องเอามาย้ำกันมีทั้งในประสูตรแลนะในอริธรรมเลยนะแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยมอง ก็ย้ำอีกทีว่ามีสามลัทธิลัทธิที่หนึ่งลัทธิปุเพกตาเหตุวาาลัทธิกรรมเก่าอะไรต่ออะไรจะเป็นไงเพราะกรรมเก่าที่ทำใหชาติปางก่อนสองลัทธิอิสวดนิลมิตวาฏหรืออิสรนิมาในเหตุว่าลัทธิที่ถือว่าอะไรจะเป็นไงเพราะเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่โดนบันดาลสามอเหตุว่าหรืออเหตุตัวปัจญยวาลลัทธิที่ถือว่าแล้วแต่โชค รัฐที่เหล่านี้จะเป็นเหตุให้ไม่กระทำํำท่านเรียกว่าเป็นไปเพื่ออกิริยาอักิริยาการไม่กระทําเพราะถือว่าเป็นเพราะกรรมเก่าก็รอแล้วแต่กรรมเก่าจะโดนบรรดาลเหมือนคนเข้าป่าที่ว่ามีกรรมเสือมก็ ก, กินเองนอย่างเนี้ยก็แล้วแต่กรรมก็เลยไม่ขนขวายทําการได้ควรทาเป็นไปเพื่ออกิริยาถือว่าเทพเจ้าโดนบรรดาลก็เหมือนกันแล้วแต่ท่านโดนบรรดาลก็ต้องอ้อนวอนเราจะไปทําอะไรได้ อันนี้ก็ไม่เป็นไปเพือการกระทําแล้วแต่โชคก็เหมือนการถึงข่าวดีเองเราจะไปทําอะไรได้ทําก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็เลยไม่ทําเป็นไปเพื่ออกิริยาเป็นมิจฉาทิฏฐิหมดเลยเงี่ยงวัลพิเดรถีอันเนี้ยโยบจําให้แม่นที่กล่าวมา น, นี้ไม่ได้ปฏิเสธกรรมเก่าแต่ประการใดแต่มองกรรมเก่าให้ถูกต้องมองกรรมเก่าให้มันอยู่ในกระบวนการของการกระทําเหตุ และก็อเกิดผลวิบัติที่มันต่อเนื่องกันสืบไปตลอดทุกขณะทุกเมื่อทุกเวลานาทีไม่ใช่ตัดตอนไปเป็นกรรมเก่าแส้งก็ไปรอผลกรรมเก่าอยู่อันนั้นเป็นการถือหลักกรรมที่เอียนแล้วก็เลยพลาดแล้วก็เลยผิดไปเข้ารั่นิครไปรี่นิครนี่เขาถือหลักนหลักกรรมของนิครเป็นอย่างนี้นิครจะนาตบุตร าศาสนาเฉนมหาวีระพระถืออย่างนี้ในพระสูตรหนึ่งชื่อเทวะทะหสูตรในพระไตรปิฎกเล่มสิบเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสแก้วาทะของนิครนในเรื่องนี้โดยตรงเลยเรื่องปุงเพกัษาเหตุตัวว่นเพราะนั้นถือกรรมอย่าถือให้ผิดเรื่องถือกรรมผิดนี่มีเยอะเลยแต่ในกรรมเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นจะต้องทําความเข้าใจกันให้ชัดเจน อ้าวเช่นอย่างบางคนก็บอกว่าโอ้ยเราทําดีมาตั้งนานมาเห็นได้ดีอะไรเลยเลิกทําดีกว่าเจ้าผูโนู้นมันไม่เห็นมันทําดีเลยทำแต่ความชั่วมันได้ดีอะไรทั้งนอง น, นี้นี่ก็แสดงว่าไม่เข้าใจเรื่องกรรมอ้าไม่ต้องไปมองเขาเรามองตัวเราเองว่าทําดีไม่ได้ดีเนี่ยเราก็ได้แต่พูดว่าทาดีไม่ได้ดีเราไม่เคยพัฒนากรรมดีเลย ให้กรรมดีที่ตัวมีเนี่ยมันก็ต้องพัฒนาไปด้วยให้กรรมดีที่จะทําให้เกิดผลเราก็ต้องมาวิเคราะห์เราเคยวิเคราะห์กรรมดีของเราไหมว่าให้กรรมดีของเราอันนี้เราทําไปแล้วเราต้องการผลอันนั้นผลที่เราต้องการกับกรรมที่เราทํานี่มันสมกันไหมนี่ต้องวิเคราะห์แหละแห้กรรมดีของเรานี่องค์ประกอบเพียงพอไหมปัจจัยด้านโ น, น้นด้านนี้เพียงพอไหมจะให้เกิดผลที่ต้องการอันนั้นมันขาดมันวิ่นมันแหว่ง อะไรจะต้องเติมอะไรก็พัฒนาแก้ไขปรับปรุงกรรมดีของเราไม่ใช่พูดขาดตอนอยู่แค่ทำดีแล้วไม่ได้ดีมันด้วนต้องมองอย่างที่ว่าต้องรู้จักพัฒนากรรมดีกรรมดีมันไม่ใช่สมบูรณ์ไปเลยกรรมดีอย่างที่ว่าต้องเริ่มใช้ปัญญาวิเคราะห์ให้ที่เราทํากรรมดีนั้นไม่ได้ผลดีนั้นเออเราต้องการผลอะไร ละกรรมของเราเนั้นมันเป็นเหตุพอกับผลนั้นไม่ที่จะให้ผลเกิดขึ้นถ้าเหตุปัจจัยมันพอผล่อต้องเกิดแสดงว่าไอ้กรรมดีของเราเนี่มันยังพล่องกับคล่องกับแพร่งขาดว้าหแหวงส่วนนั้นส่วนนี้ก็เราพอวิเคราะห์แล้วเราจับได้เราก็จะได้ปรับปรุงกรรมดีของเราเรียกว่าพัฒนากรรมดีเพราะนั้นคนที่ทำดีนั้นอย่ามัวแต่ว่าอ้างกรรมดีจะได้ดีไม่ได้ดีต้องมาพัฒนากรรมดีด้วย ถ้าอย่างนี้แนละ้วเจริญแน่กรรมดีนะั้นมันก็งอกงามคนเราไม่ใช่พัฒนาจากแค่กรรมชั่วมาเป็นกรรมดีกรรมดีก็ต้องพัฒนาให้เป็นกรรมดียิ่งขึ้นไปนั่นะตรงนี้เป็นจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดไม่เคยวิเคราะห์ไม่เคยวิยจัยกรรมดีของตัวเองมันถัดตกบกพร่องยังไงพอแก่ผลหมาไม่รู้จักพัฒนากรรมดีเพราะฉนะนั้นอันนี้ต้องเน้นกันว่าให้รู้จักพัฒนากรรมดีของตัวเองด้วยแล้วมันจะได้ผลดียิ่งขึ้น เราก็ต้องดูดีวเราต้องการผลยังไงเราต้องการผลเป็นวัตถุหรือในกรรมดีนี้หรือต้องการผลเป็นเสียงสรรเสริญนิยมชมชอบหรือต้องการผลเป็นว่าแก้ไขปรับปรุงสังคมหรือต้องการผลเป็นว่าให้เราเชื่อทำดีก็แล้วกันเออแม้แต่ไอ้ผลที่ต้องการก็ยังไม่ชัดกับตัวเองแล้วต้องมาพูดว่าทำดีไม่ได้ดีก็ตัวต้องการผลอันไหนทำตามที่ให้เหมาะกับผลนั้นหรือเปล่าเอาแล้วนั้นหนึ่งนะไม่รู้จักพัฒนากรรมดี สองก็ ok. ไปติดอยู่กับกรรมเก่าที่ว่ากรรมเก่าชัดก่อนกรรมเก่านี่มันมาต่อเนื่องมามันไม่ใช่เฉพาะชัดก่อนต่อเนื่องมันจะถึงวินาทีที่ล่วงไปแล้วเนี่ยพูดอยู่เดี๋ยวเนี่ยพอผ่านไปวินาทีหนึ่งก็เป็นกรรมเกา่าที่อาตมาพูดปัป๊กัปเนี่ยผ่านไปวินาทีหนึ่งเป็นกรรมเก่าแล้วใช่ไหมเราต้นึกว่ากรรมเกา่ามันก็เดินหน้าอยู่เรื่อยเหมือนกันนะไม่ใช่กรรมเกา่าเฉพาะชัดก่อน ทีนี้ไอ like ้กรรมเก่ามันก็เด kind of ินหน้าตามกรรมที่เราทำใหม่เพราะทากรรมใหม่ปั๊บเดี๋ยวก็เก่าเลยอันนี้เราก็จะไปเอาแต่กรรมเก่ารุ่นเก่าสิเราก็ต้องทํากรรมเก่ารุ่นใหม่เติมเข้าไปเออถ้ากรรมเก่ารุ่นเก่าเราไม่ดีใช่ไหมเราก็ทํากรรมรุ่นกรรมกรรมเก่ารุ่นใหม่ให้มันดีต่อไปไอ้กรรมเก่ารุ่นใหม่ของเรามันดีโอ้มันดีเยอะเยอยอะอไอ้กรรมเก่ารุ่นเก่าก็หมดกำลัง ไอ้ําเก่ารุ่นใหม่มันดีกว่ามันมากกว่ามันเหนือกว่ามีพลังเยอะตดลองไอ้ําเก่ารุ่นใหม่เนี่ยมีกําลังกลบไอ้ําเก่ารุ่นเก่าหมดเลยเพราะฉะนั้นโยมจะเป็นมือรอําเก่ารุ่นเก่าชัดก่อนเท่านั้นกําเก่ารุ่นใหม่เนี่ยสำคัญนะเพราะเราทําได้เพราะฉะนั้นถ้าชอบคำว่ากําเก่าก็จงทําำําเก่ารุ่นใหม่ให้มันดีใช่ไหมเติมกําเก่ารุ่นใหม่ให้มันดีที่สุดแล้วไอ้ําเก่ารุ่นเก่าก็หมดความหมาย นั้นอย่าไปมัวรออยู่แล้วก็หมดหวังสิ้นหวังอยู่กับกรรมเก่ารุ่นเก่าเอาตอนนี้มาเน้นกันเรื่องกรรมเก่ารุ่นใหม่ตอนเนี้ทํากรรมเก่าสร้างกรรมเก่ารุ่นใหม่นี้ให้ดีที่สุดเนยเติมเข้าไปเติมเข้าไปถ้ามิฉนั้นแล้วเราเคยมีกรรมเก่าที่ไม่ดีอย่างไรก็มีแต่กรรมเก่าที่ไม่ดีอยู่นั้นใช่ไหมมีแต่กรรมเก่ารุ่นเก่าที่ไม่ดีของเสียของเน่าของดีไม่เคยทําเพิ่มขึ้น เปลี่ยนสมัยตอนนี้หนึ่งอ่ะสองละต่อไปสามอะไรพวกที่มัวปรงกรรมเก่าเออมาแลแต่กรรมเก่าเป็นยังไงกับทำไปก้มหน้ารับกรรมไปเนี่ยการปรงว่าแลแต่กรรมเก่าเนี่ยลืมตัวไปว่าไอ้เวลานี้เราทำกรรมอยู่ทุกขณะนะ เราจะพูดเราจะปรงใจเราจะคิดว่ากรรมเก่าก็ยังไงก็แล้วแต่เนี้ยขณะที่คิดอย่างนั้นก็คือทํากรรมทางนั้นใช่เปล่ะแล้วเราทํากรรมอะไรอยู่แล้ขณะนั้นที่ไปปรงกรรมเกา่าก็คือทํากรรมที่ไม่ทําอะไร <c oughs> คนที่ทํากรรมคือไม่ทําอะไรปล่อยเวล้วให้ล่วงไปนี่เ้าเรียกว่าคนประมาทเป็นกรรมใหม่ละ่ะที่เป็นอกุศลโอหลงไปรอกรรมเกา่าตัวเองกําลังทํากรรมใหม่ที่วิปริตผิดพลาดเป็นอกุศลเข้าไป หนักเลยคือทําความไม่ทำความประมาทเข้าไปแล้วสิใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่มัวจะปรงกรามเก่าเนี่ยขณะนี้ทํากรรมใหม่คือทําความประมาทเข้าไปแล้วเป็นอกุศลต่อไปตัวจะต้องรับผลของอกุศล น, นี้คือความประมาทเพราะฉะนั้นโดยไม่รู้ตัวเลยทลํากรรมใหม่ที่เป็นอกุศลเพิ่มกรรมเก่าที่เป็นอกุศลเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นไม่ได้จะเป็นนึกว่าตัวเองไม่ทําอะไรไม่ท ำ, ทำนี่แหละเป็นทำเหมือนกันนะนะ ไม่ทําอะไรก็เป็นความขีเกียรจเป็นความขีเกียรจก็เป็นอกุศลอีกแล้วนี่เป็นความประมาทก็เป็นอกุศลอีกแล้วละเลยทอดทิง้งผัดเพียนเป็นอกุศลเป็นความประมาทไปหมดเพราะฉะนั้นโดยไม่รู้ตัวก็ทํากรรมใหม่ที่เป็นอกุศลคือความประมาทเพราะฉะนั้นคนที่โมตรปรงกรรมเก่านี่ไม่ใช่ไม่ได้ต้องทํากรรมใหม่คือไม่ประมาทเอาให้กรรมเก่านี่มาเตือนแล้วมาเร่งรัดตัวเองทํากรรมใหม่ที่เป็นความดี มีความไม่ประมาทแก้ไขปรับปรุงพัฒนาให้มันดีขึ้นก็จะไปสอดคลองกัที่พูดเมื่อกี้ว่าพัฒนากรรำของตัวเองอยู่เรื่อยไปอย่างนี้แหละเจริญก้าวหน้ากรรมจะเป็นประโยชน์จะไม่มีโทษเลยถ้าถือผิดไปเข้าหลักละทีเดียวถีเข้าเราก็เกิดปัญหาแน่นอนนี่ก็ขอผ่านไปตัวอย่างเท่านั้นในเรื่องกำเนี่ยเข้าใจผิดว่าสนาบารมีตอนนี้เข้าใจผิดหมดเลยต้องมาฟื้นฟูปรับปรุงตรวจชําระสังขานากัน บางงั้นเข้ายุคใหม่ไม่ได้เวลานี้สังคมไทยต้องเข้ายุคใหม่เข้ายุคใหม่ที่แท้ก็คือกลับไปสู่สังคมที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าไปทําอะไรใหม่พิเศษพิสดารหรอกคือกลับไปสู่หลักที่มันถูกต้องนั่นเองเพราะมันคลาดเคลื่อนวิปริตมาสันนานกลับไปหาหลักการที่แท้ของพระพุทธศาสนาแล้วก็ไปตามอย่างพระพุทธเจ้าให้มันถูกให้มันจริงเราเป็นชาวพุทธแล้วก็ต้องตามอย่างพุทธจริยาพระพุทธเจ้า ท้งตอนที่ตรัสรู้แล้วทั้งก่อนตรัสรู้เป็นพระโพธิสัตว์ก็บำเพ็แต่ความดีบำเพ็ญบารมีเป็นต้นแล้วเราทําตามหรือเปล่าทําตามอย่างพระพุทธเจา้ามหมยกตัวอย่างง่ายๆพระพุทธเจา้าก็อธิษฐานเราก็อธิษฐานแต่ว่าเราอธิษฐานอย่างพระพุทธเจา้าหรือเปล่านยพระพุทธเจา้าอธิษฐานยังไงเราอธิษฐานยังไงพระพุทธเจา้าอธิษฐานถ้าจะใช้คําสั้นๆพระพุทธเจา้าอธิษฐานเพื่อจะทําเนย แต่ชาพุทธจำนวนมากอธิษฐานเพื่อจะได้เออนี่ต่างกันแล้วนะโยมแยกให้ดีนะสองอันเนี่ยมันตัวตัดสิลชะตากรรมสังคมเลยนะพระพุทธเจ้าอธิษฐานเพื่อจะทำํำราวอธิษฐานเพื่อจะได้อธิษฐานตามความหมายของท่านแปลว่าอะไรอธิษฐานว่าตั้งใจเด็ดเดี่ยวตั้งใจแน่วแน่มั่นคงว่าจะทําอะไรต้องทําให้สําเร็จไม่สําเร็จไม่ยอมหยุดต้องทําให้สําเร็จ ต้องให้บรรลุจุดหมายมิฉะนั้นไม่ยอมหยุดนี่เรียกว่าอธิษฐานอธิษฐานเพื่อจะทําคือคิดจะทําอะไรแล้วเห็นแล้วว่าดีถูกต้องเป็นประโยชน์ต้องทําให้สําเร็จอย่างนี้เรียกว่าอธิษฐานที่แท้คนไทยอธิษฐานเจ้าประคุณขอให้เทวดาบรรดานในฉันได้ลาบได้ผลนูน่นนี่เรียกว่าอธิษฐานเพื่อจะได้ไม่ต้องทําคือไม่คิดจะทําเลยขอให้ใครมาบรรดาลให้ ให้ผลมันลอยมาเพราะนั้นมันตรงข้ามเลยก็แก้ใหม่กลายเป็นว่าคนไทยจะนวนมากเนี่ยเข้าใจคำว่าอธิษฐานเป็นว่าตั้งจิตปรารถนาอยากได้นนในนี้แต่ของพระพุทธเจ้าตั้ ง, งจิตแนว่วแนว่เด็ดเดี่ยวที่จะทำการนั้นการนี้ให้สำเร็จได้เช่นอย่างเมื่อประทับใต้ตนโพตอนที่ตรัสรู้พระทรงอธิษฐานพระไทยว่าไง โปรงว่าเราจะเพียรพยายามจะบรรลุโพธิญาณนะนี่ยน่ยโดยบำเพ็ญสมาธิโดยใช้ปัญญาอย่างยวดยิ่งโปรงก็อธิษฐานภาษไทยตั้งใจเด็ดเดียวว่าเราจะตั้งความเพียรพยายามเนี่ยจนกว่าจะบรรลุผลที่พึงบรรลุได้ด้วยความเพียรของบุรุษถ้าหากยังไม่สําเร็จผลไม่บรรลุจุดหมายก็พูดง่ายๆว่าไม่บรรลุโพธิญา แม่เลือดเนื้อจะแห้งเหือดไปเหลือแต่เส้นเอ็นกระดูกก็จะไม่ลุกขึ้นเป็นอันขาดนี่ใช่ไหมนี่คือการอธิษฐานของพระพุทธเจ้าคืออธิษฐานเพื่อทำคนไทยมาอธิษฐานเพื่อจะได้สิอธิษฐานจะประคุณอย่างที่ว่าให้มันได้โน่นได้นี่มาถ้ามันจะไปไหวอะไรล่ะเป็นลูกศิษพระพุทธเจ้าแต่มันทำตรงกับตรงข้ามกับพระพุทธเจ้าไปเละเพราะนั้นต้อง แก้กันให้ได้เรื่องอธิษฐานเพื่อได้กับอธิษฐานเพื่อทำเนี่ยถ้าเปลี่ยนไม่ได้เข้ายุคใหม่ไม่ได้ต้องอธิษฐานเพื่อทำเนี่ยนี่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเด็ดขาดก็อย่างที่ว่าเข้าหลักที่ว่าต้องทําเหตุไม่ใช่เอาผลนักเอาผลนี่ไปไม่รอดติดต่อกับหลังก็จะไปเอาผลความจเจริญผลผลิตที่เขาทําเสร็จแล้วถ้านั ก, นกทําเหตุเนี่ยมันต้องฝลังมันทาอะไรได้เนาะมันผลิตคอมพิวเตอร์ได้เราก็ต้องผลิตได้เออต้องทําให้มันได้อย่างนั้นสิ ดังนั้นเรื่องการทําเหตุกับเอาผลเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญของสังคมไทยสังคมไทยยุคเก่าที่กําลังจะผ่านไปเนี่ยคือยุคจะรอเอาผลแต่ยุคใหม่จะต้องเป็นยุคทําเหตุสร้างสรรค์เพื่อความเจริญที่มันเกิดจากเหตุปัจจัยความเพียนพยายามของเราเนี่นีก็พระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์มีลักษณะสําคัญคือสามารถรอผลที่จะเกิดขึ้นจากการทําความเพียรพยายามระยะยาวได้ พระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีกี่ร้อยกี่พันชาติอนเนอกอนันตชาติเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ต้องรอผลมาเป็นไม่รู้เท่าไหร่กี่แสนโกดกับใช่ไหมรอได้แต่รอผลแห่งความเพียรพยายามของพระองค์ที่ทําอย่างเต็มที่เนี่ยไม่ใช่จะเอาแต่ผลไม่ต้องทําเหตุคนไทยนีย่รอผลแห่งความเพียรพยายามที่หนักเน่ไม่ได้ จะเอาผลปัจจุบันทันด่วนเฉพาะหน้าจะเอาผลฉับพลันก็เลยเป็นนักอรอลาบลอย <Yeah. S 1> หรือรวยทางรัด <Yeah. S 1> อย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะนั้นต้องเปลี่ยนถ้าจะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าต้องสามารถรอผลแห่งการบำเพ็ญเพียรพยายามอย่างยวดยิ่งตลอดการยาวนานได้ผลจะมาเมื่อไหร่ให้ทําเหตุให้มันเต็มที่เราหน้าที่ของเราคือเพียรพยายามไปท่านจึงเรียกว่าบารมีใช่ไหม พระพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียรตลอดเวลาไม่รู้กี่ชาตินี่คือบำเพ็ญบารมีบา ร, รมีก็คือคุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยวดยิ่งอย่างที่คนธรรมดาทําไม่ได้บำเพ็ญทานเสียสละอะไรก็เสียสละได้กระทั่งชีวิตทําอะไรต่ว อ, อะไรก็จริงจังมีความเข้มแข็งมีความอดทนมีความเสียสละทุกอย่างอันนี้เป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้ามิฉะนั้นจะบรรลุโพธิญาณไม่ได้ นี่เราจะมีความเข้มแข็งมีกำลังสู้เสียสละอย่างพระพุทธเจ้าไหมถ้านเราชาดกไว้เพื่อเพื่อเตือนใจเราว่าถ้าเราท้อไปอ่านชาดกปับ๊บเราจะสู้ขึ้นมาทันทีโอ้นี่เราเจอแค่นี้อุปสรรคนิดหน่อยไม่ทลายทาไมจะถอยพระพุทธเจ้าเจอมากกว่าเราโดนเขากันแกล้งเอาตายเลยนะพระองค์ยังไม่ยอมท้อเลยพอไปอ่านชาดกขึ้นมาพื่สู้ต่อไป อย่างนี้จึงจะเรียกว่าใช้ประโยชน์จากพุทธศาสนานี่กลับตรงข้ามมีพระโพธิสัตว์มาช่วยไปขอความช่วยเหลือท่านเละนะพระโพธิสัตว์มีไว้สําหรับดูปฏิปทาแล้วก็จะได้เป็นคติเตือนใจว่าท่านสู้ท่านเพียรเข้มแข็งเราก็ต้องเข้มแข็งอย่างนั้นเอาไว้ปลุกใจตัวเองนี่ก็เป็นเรื่องของการรอผลที่เกิดจากความเพียรพยายามระยะย า, ยาวอย่างที่ว่าพทธเจ้าสวยห า, าจะทำแม้แต่ในชาตินี้ หปีสู้หมดทุกกรรกิริยาเขาว่าเอา้าเขาว่าต้องทําอย่างนี้ฉันสู้อดอาหารจนกระทั่งว่าหนังท้องติดกระดูกสันหลังเลยใช่ไหมมันต้องสู้อย่างนั้นสิคนไทยขนาดนี้สู้ไหมขนาดนเนี้ยสู้ภัยแอนเอมเอนี่ยสู้ขนาดพระพุทธเจ้าไหมพระพุทธเจ้านี่บำเพณญเพียรขนาดที่ว่าหนังท้องติดกระดูกสันหลังยังสู้พวกเรานี่อดตายขนาดนั้นไหมไม่ถึงเลยเพราะฉะนั้นต้องเอา ว่าเรายังไม่ถึงขนาดจะอดตายอย่างพระพุทธเจ้านะี่ไปกลัวอะไรไอเออแค่นะี้ น, นั่นมันต้องมีกําลังใจลุกขึ้นมาสู้มเข้มแข็งแล้วนอกจากนั้นก็คือว่าพระพุทธเจ้านี่ทําไปได้ผลทีละนิดละนิดเก็บสะสมยอมทีละนิดก็เอานะีก็บำเพ็ญเพียรเนะ่ยบารมีนะตั้แต่บำเพ็ญทีละนิดละหน่อยไม่รู้สะสมเท่าไหร่กว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเนะี่ย เข้มแข็งเด็ดเดียวนะอย่างนี้แหละจึงจะไปรอดตอนนี้สู้กับภัยยุคไอเอมเอฟนี่ยมันต้องคนไทยต้องเข้มแข็งเด็ดเดียวมั่นคงอย่างพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบา ร, รมีคนไทยมองคําว่าบา ร, รมีแทนที่จะมองไปการทําเหตุคือบำเพ็ญคุณธรรมที่จะทําให้สําเร็จเป็นโพธิญาณลับมองเอาผลนี่จะไปพึ่งบา ร, รมีคนนั้นเก่งคนนั้นมีเงินมากมีอํานาจมากความหมายของบา ร, รมีก็เพี้ยนไปเป็นกําลังทรัพย์กําลังอํานาจ แทนที่จะหมายถึงคุณธรรมความดีที่เป็นเหตุที่บำเพ็ญอย่างเข้มแข็งเสียสนละมองคำว่าบารมีก็พลาดไปแล้วกร็รัตพิเอาผลไม่ทำเหตุเนี่ยทำให้เสียหมดนึกถึงเมื่อวานนี้เจอกระโยมท่านหนึ่งท่านก็พูดถึงเรื่องพระเจ้าตากตอนพระเจ้าตากนั่นกรุงแตกใช่ไหมแล้วพระเจ้าตากกู้กลุงได้ใช่ไหมถ้าคนไทยเวลานี้มีความสามารถจะ กู้เมืองไทยได้ไหมก็ต้องกู้ให้ได้แล้วพระเจ้าตากทํำยังไงพระเจ้าตากเข้มแข็งใช่ไหมเสียสละบุกฝาได้ตอนแรกนี่เห็นว่าอายุธยาไปไม่รอดนําทหารจํานวนหนึ่งซึ่งมีไม่มากบุกฝากําลังทัพพม่ากออกมาจากกรุงได้ใช่ไหมเนี่ยเอาลนะเราต้องไปสะสมกําลังข้างนอกสู้กันใหม่อย่างนี้มันต้องคิดวางแผนระยะย า, ยาวตอนแรกต้องเข้มแข็งก่อนและใช้ปัญญา ถ้าเราคืดอยู่ในนี้ตายแน่ใช่ไหมอา้าวทหารจํานวนหนึ่งบุกฝ่าทหารพมาร่าออกจากอายุธยาไปไปตั้งกองกําลังขึ้นมาต่อมากรุงแตกจริงๆแล้วเอาแล้วตอนนี้ต้องกู้กู้เมืองไทยเจ้วตาทําไงนูน่นเข้าตีเมืองตะตาไปตีเมืองจันทบุรีบอกว่ายัางไงจันทบุรีบอกมื้อนี้กินข้าวกินปลากันให้อิ่ม มื้อสุดท้ายเขาเรามานอกเมืองนะมื้อต่อไปไปกินในเมืองกินเสร็จมื้อนี้ทุบหมอ้อข้าวเตาไฟหมดใช่ไหมถ้าเข้าเมืองไม่ได้ตายเนะเพราะฉะนั้นมื้อต่อไปอย่างที่ว่ากินในเมืองแล้วพระเจ้าตากไม่ใช่ว่าล่อยให้ลูกน้องทำนะนำทัพเข้าตีกรุงจำเมืองจันทบุรีสําเร็จใช่ไมเนี่ยมันต้องเด็ดขาดแน่วแ น, วแนวมุ่งหน้า บุกฝ่าไปคนไทยเวลานี้ก็ต้องบุกฝ่าเหมือนกันตีฝ่าความวิกฤต IMF ไปให้ได้แล้วมันจะทารนามือคนไทยเรือ่องใช่ไหมถ้าเรามีความเข้มแข็งเนี่ยเวลานี้โมตรอร์อ่อนพ่อแป่โอดครวนรถทศรถทวยกันไปมันจะไปรอดอะไรต้องเข้มแข็งมองไปข้างหน้าบุกฝ่าให้ได้นี่มาพวกบนทะเลาะ ก, กันอยู่เนี่ย ทะเลาะ ก, กันไปฉันลอกกันมาแทนที่จะมองเป้าหมายข้างหน้าเราจะทํายังไงจะแก้ไขปัญหาบุกฝ่ากันยังไงรวมกําลังกันให้เต็มที่อย่างนี้มันก็เห็นอยู่ชัดๆแล้วชาติไทยมันจะไปรอดที่เนี่มีจุดหมายเป้าหมายชัดเจนบุกไปข้างหน้าและรวมกําลังกันในการที่จะบุกฝ่าไปให้สําเร็จแล้วมันไม่เหลือกําลังเมืองไทยในพื้นฐานก็ดีข้าวเปลา่าที่ดินไรอุดมสมบูรณ์ในโลกนีิหาได้ยากใช่ไหม การเกษตรอะไรๆพื้นฐานเราดีเนี่ยก็อย่างที่ว่าตอนที่แล้วก็ของดีที่มีก็ปล่อยให้หลุดมือแต่ตอนนี้มันไม่สายที่จะฟื้นถ้ากลับมาฟื้นมันขึ้นมาใหม่สิดินดีแม่น้ําดีหรือว่าดินฟ้าอากาศเราเนี่ยมันยังช่วยยังเอื้ออํานวยนั้นก็ฐานที่ดีเรามีเราก็ฟื้นกันขึ้นมานี่ก็มันก็มีกําลังฐานอยู่แล้วที่จะทําได้แต่ว่าเราจะใช้มันหรือไม่เท่านั้นเพราะนั้นตอนนี้ต้องเดินหน้ากันต่อไป นั่นเรื่องหวยพันนันฝันหาลาบลอยร อ, รอคอยเทวดาคอยหายา ก, กล่อมพวกนี้ไปไม่รอดแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยจะต้องอวสานอยู่กับยุคเก่านี่แหละถ้าคืออยู่อย่างนี้ถ้าจะขึ้นยุคใหม่ต้องเปลี่ยนใหม่เนี่ยแมนเริ่มตั้งแต่ในครอบครัวเลยเลี้ยงลูกก็ต้องเลี้ยงลูกให้ถูกปฏิบัติธรรมก็ในครอบครัวแหละเลีเ้ยงลูกก็ปฏิบัติธรรมแล้วอย่างที่พรุทธเจ้าสัตวเนี่ยเลี้ยงลูกให้ดีสิ ถ้าเป็นพ่อแม่เลี้ยงลูกให้ดีไม่ได้เราก็บกพร่องในการปฏิบัติธรรมแล้วเวลานี้คนไทยก็เลี้ยงลูกกันก็ต้องยอมรับความจริงว่าเลี้ยงกันผิดเยอะๆไปสุดตรงสองอย่างพวกหนึ่งก็ทอดทิ้งเลยทอดทิ้งลูกไม่เอาใจใส่ละเลยหน้าที่ของพ่อแม่พวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งก็ไปสุดตรงตรงข้ามพนพนอบำรุงบำเรอปลนเ ป, ปลือกเกินไป ก็แสดงว่าไม่มีพรหมวิหารไม่เป็นพระพรหมเพราะพรหมนั้นท่านมีธรรมะสี่ข้อไว้ให้มีดุลยภาพให้พอดีคือใช้ทั้งความรู้สึกและใช้ทั้งความรู้หรือใช้ทั้งคุณธรรมและใช้ทั้งปัญญาพ่อแม่ี่มีหลายแบบแต่ว่าพูดอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่ว่าพวกเลี้ยงได้ความรู้สึกเอาแต่ความรู้สึก พอรู้สึกที่ไม่ดีเนี่เราไม่ต้องพูดถึงนะเปี่ยวกราดและอะไรไม่มีความรู้สึกที่ดีไม่มีความรักลูกแต่รู้สึกที่ดีก็คือรู้สึกที่ไปคุณธรรมเช่นความรักแต่เลี้ยงด้ความรู้สึกเนี่ไม่พอสักแต่ว่ารักโอ้ไปบำรุงบำเรอบรนเปลือกเข้าไปนีเลี้ยงผููแบบปจรเปลือก็แสดงว่าไม่ใช้ปัญญาเท่าที่ควพรพอเสร็จแล้วเป็นยังไงก็ ด้วยการบำรุงบำรเรอปลนเปลือกนั่นก็ทําให้ลูกเนี่ยเป็นนักบริโภคติดนิสัยเป็นนักเศรษนักบริโภคอ่อนแอไม่สู้งานทําอะไรไม่เป็นอันนี้มันจะมาด้วยกันคือเป็นนักเศรษเป็นนักบริโภคแล้วก็อ่อนแอนะถ้าเป็นนักบริโภคก็ต้องอ่อนแอเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเป็นนักผลิตมันก็ต้องเข้มแข็งเพราะมันเป็นคนทํำอันนี้เราเลี้ยงดูลูกแบบให้เป็นนักบริโภค ไ่าได้เลี้ยงให้เป็นนักผลิตปลนเปลอไปก็ยิ่งฝ่ายเสพอยากบริโภคมากขึ้นก็ยิ่งอ่อนแอลงไปตามใจเอาใจมีอะไรจะต้องทำกลัวเหน็ดเหน่อยเหนื่อยกลัวทุกข์ยากลาบากทำให้แทนเลยลูปทำไม่เป็นพระเจ้าจึงตรัสสอนว่าเลี้ยงต้องด้วยทั้งรู้สึกนะักรู้ฝ่ายรู้สึกนั้นคือรู้สึกที่ดีมีเมตตากรุณามุ้ติตา ยามเขาอยู่เป็นปกติก็รักใคร่เลี้ยงดูให้เป็นสุขนี่เรียกเทลุ ม, เมตเตายามเขาเจ็บไข้ได้ทุกขมีปัญหาก็ช่วยเหลือปลดเรื่องความทุกขนั้นท่านเรียกว่ามีกรุณายามลูกได้ดีมีความสุขประสบความสำเร็จสอบได้ที่ดีๆเข้างานเข้าการได้เลื่อนยศเลื่อตนตำแหน่งพ่อแม่ก็พรอยินดีมีความสุขส่งเสริมเรียกว่ามีมุทิตา อันนี้คุณธรรมสมข้อในคนไทยพร้อมที่จะทํานี่ด้านความรู้สึกเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นคุณธรรมแต่อีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายก็คือข้อปัญญาข้อปัญญาก็คือมองดูให้ดูให้เขาทํานี่เลยตอนแรกในสามข้อแรกนี่ทําให้เขานะพ่อแม่เมตตากรุณามุติตานี่ทําให้เขาพ อ, ขอเข้าเบญขาที่ดูเขาทําแล้วตอนนี้เป็นที่ปรึกษา เออต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าลูกต่อไปจะต้องรับผิดชอบตัวเองลูกไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ตลอดไปพ่อแม่จะไปช่วยตลอดก็ไม่ได้แล้วลูกก็อยู่กับความเป็นจริงของโลกและชีวิตกฎธรรมชาติของโลกและชีวิตเนี้ยมันไม่เข้าใครออกใครทุกคนจะต้องมีปัญญารู้จักรักษาตัวรับผิดชอบตัวเองให้ได้ลูกต่อไปจะต้องรับผิดชอบตัวเองจะต้องทําอะไรเป็นก็คิดตั้งแต่บัดนี้เออลูกเราจะต้องรับผิดชอบตัวเองไงบ้างลูกของเราจะต้องทําอะไรเป็นบ้าง พอใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็ทีนี้ก็มาดูให้เขาทําแล้วไม่ทําแทนให้พอดูให้เขาทําเรียกว่าอุเบกขานีดูวางเฉยดูใช้ปัญญาพิจารณาว่าเขาทําถูกไหมทําให้ถูกจะได้ช่วยแนะนําปรึกษาแก้ไขปรับปรุงทําให้ถูกเขาทําเป็นแล้วพอแม่ก็เบาใจเออตอนนี้ต่อตายตาหลับแล้วเพราะเขาทําเป็นแล้วไม่ใช่ว่ารักลูกเสียทีตายต่อไปพอตายตาไป็หลับเพราะห่วงเราทีนี้ลูกทําไม่เป็นเราไม่ได้อยู่ด้วย มันต้องตายตาหลับเพราะรู้ว่าลูกของเราแข็งพอทําเองได้เพรฉะนั้นอุเบกขาเป็นตัวปิดท้ายรายการที่จะทําให้พ่อแม่ตายตาหลับพ่อแม่คนไหนนี่เอาแต่เมตตากรุณาเมตตาเนี่ยขอไผ่ตายตาไม่หลับเนี่ยเพราะมาต้องห่วงว่าลูกจะไปรอดหรือเปล่านั้นต้องมีสี่ข้อข้อที่สี่เป็นตัวมาจากปัญญาพอปัญญารู้ว่าลูกจะต้องรับผิดชอบตัวอย่างนี้ทําอย่างนี้เป็น หัดเขาให้เขาทําตัวเองดูอย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นที่ปรึกษานคอยบอกคอยชี้จกนกระทังเขาทําเองเป็นหน้าที่อุเบกขาก็สมบูรณ์รับผิดชอบตัวเองได้พระพรหมก็เป็นพระพรหมสี่หน้าพระพักสมบูรณ์ทันทีมันไงก็เป็นพระพรหมกับพร่องกับแพร่งมีสามหน้าพระพรหมอะไรใช้ไม่ได้นีอย่างนี้เป็นตน้นนี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องของการเลี้ยงดูของพ่อแม่นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่มากในสังคมไทยของเราเนี่ย ทีนี้ถ้าหากว่าพ่อแม่ฝึกให้ลูกรู้จักทําอะไรเป็นหัดรับผิดชอบก็ฝึกให้ลูกเช่นตั้งแต่ดูทีวีก็ดูให้เป็นนะลูกดูเนี่ยเพียงเพื่อหาความสนุกสนานเรียกว่าใช้ทีวีเพื่อเสพหรือว่าลูกรู้จักดูทีวีเพื่อหาความรู้เพื่อศึกษาแล้วเราก็จะได้ดูแล้วดูว่าลูกนี่ดูใช้เพื่อเสพกี่เปอร์เซนต์ใช้เพื่อศึกษากี่เปอร์เซนต์ถ้าลูกใช้ทีวีเพื่อเสพ หาความสนุกสนานบันเทิงอย่างเดียวร้อยเปอร์เซนตก็แสดงว่าพลาดและเด็กส่วนมากเดี๋ยวนี้จะเป็นอย่างนั้นใช้เพื่อศึกษาหายากก็ขอเล่าอีกทีหนึ่งเด็กไปวัดเด็กประถมมาถึงมาถามพอหนูที่ว่าว่านเนี่ยดูทีวีวันละกี่ชั่วโมงเด็กก็บอกว่าท่าวันธรรมดาก็ดูเท่านี้เท่านี้ท่าวันเสาร์อาทิตย์ก็ดูมากหน่อยบางทีตลอดวันเลยว่างั้นเนี่ยอ้าวทีนี้ที่หนูดูดูทีวีเนี่ย หนูดูเพืเสกี่เปอร์เซ็นต์ดูเพืศึกษากี่เปอร์เซ็นต์เด็กงงไหมเอ๊ะดูเพืเสพยังไงดูเพืศึกษายังไงแต่เดี๋ยวเด็กก็เข้าใจเด็กว่าเออดูเพืเสพหนูดูเพืเสพเก้าสิบเปอร์เซ็นว่างั้นแล้วดูเพื่ศึกษาแทบไม่มีเลยเด็กรับสารภาพแล้วก็ถามเด็กว่าแล้วดูอย่างไหนจึงจะถูกดูทีวีเพืเสพกับเพื่ศึกษาอย่างไหนถูกต้องให้เด็กแกคิดเองนะเราไม่ต้องไปสอนค เด็กก็บอกว่าดูเพื่อศึกษาถูกต้องอ้าวแล้วที่หนูทํานี่มันถูกไหมเด็กบอกไม่ถูกแล้วถ้าไม่ถูกทําไงเด็กบอกต้องแก้ไขแล้วแก้ไขเอายังไงมาตกลงกันต่อไปนี้หนูจะดูทีวีเพื่อเสพกี่เปอร์เซนต์เพื่อศึกษากี่เปอร์เซนต์เด็กคิดไปคิดมาบอกห้าสิบห้าสิบบอกว่าพระเห็นใจเด็กสังคมเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ก็ทําตัวอย่างด้วยเนี่ย อันนั้นไม่ต้องเอาขนาดนี้หรอกเพียงแต่ว่าให้ศึกษามันมากคือมานิดลดเสพลงไปหน่อยในที่สุดก็ตกลงกันว่าหนูจะดูเพื่อเสพเจ็ดสิบเปอร์เซ็ตดูเพื่อศึกษาสาสิบเปอร์เซนาละแค่นี้ใช้ได้เด็กไทยนะตอนนี้ถ้าดูทีวีเพื่อเสพเจ็ดสิบเปอร์เซ็นดูเพื่อศึกษาส0มสิเปอร์เซ็นตะเี่ยเมืองไทยเริ่มตีตื้นพอจะเดินเข้ายุคใหม่ได้พ้นจากภัยไออมเฟได้ แต่ถ้ายังขืนดูเพื่อเสพ 790% แล้วก็ไปไม่รอดนั้นผู้ใหญ่ก็เหมือนกันเราต้องเริ่มไม่ใช่หมายความจะเรียกร้องว่าให้ดูเพื่อศึกษาอย่างเดียวก็ไปไม่ไหวเหมือนกันเรต้องค่อยเป็นค่อยไปเพอเด็กหันมาเพื่อศึกษา 30% ต่อไปเด็กก็จะรู้จักเพิ่มเองเด็กก็จะเริ่มพัฒนาไปได้อันนี้เป็นตัวอย่างเลยที่พ่อแม่เลี้ยงลูกต้องใช้ปัญญาต้องพิจารณาโดยเฉพาะยุคนี้เป็นยุคของการเสพบริโภคมาก น, นั้นจะต้องเปลี่ยนเริ่มตั้งแต่ให้เด็กเนี่ยเป็นนักผลิตนักสร้างสรรค์ไม่ใช่เป็นเพียงนักบริโภคมีความใฝ่รู้สู้สิ่งยากสามารถเพียรพยายามรอผลในการเพียรพยายามของตนในระยะยาวได้เป็นคนเข้มแข็งถ้าอย่างนี้เราจะสร้างชาติกันได้ถ้ามาติดข้านิยมบริโภคมวยต่ออดก่ออดฟุ้งเฟอ้อกันอยู่อย่างนี้ไปไม่รอดหรอกเพราะจะเอาแค่ให้ได้อย่างประเทศที่เราชอบก็ยังทําไม่ได้เนี่ย ไปเอาอะไรฉาบฉวยผิวเผินมองประเทศที่เจริญก็มองไม่เป็นนั่นเรื่องเลี้ยงลูกนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ของการปฏิบัติธรรมอย่าไปมองละเล ย, เ, ยเดี๋ยวจะเลยมาปฏิบัติธรรมกันอยู่ที่วัดและเสร็จแล้วบ้านปล่อยซะนี่เนี่ยนั้นะปฏิบัติธรรมต้องทุกสถานที่ทุกการเวลาเอาธรรมะไปใช้ประโยชน์นตอนนี้ก็คิดว่าจะจบสักทีพูดมาก็เลยไม่ได้ดูนาฬิกาว่านานไปเท่าไหร่ ก็ยังมีเวลาเยอะเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าจะต้องขอโอกาสจะกลับไปไวๆหน่อยวันนี้ก็จะพูดมาให้มากนักเพราะที่จริงนั้นถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วเรื่องมันเยอะเลอเกินอย่างเรื่องที่พูดเมื่อกี้ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับหลักหรือแม้แต่คําศัพท์พุทธศาสนาก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องพูดกันนานอย่างวาสนาเนี่ยเดี๋ยวนี้มีใครรู้บ้างว่าพุทธศาสนามีความหมายว่าอย่างไร ไปพูดเกี่ยวกัแข่งบุญแข่งวาสนาไม่ได้หรือแข่งอะไรแข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนาไม่ได้อันนี้ไม่ใช่คําในพุทธศาสนาเป็นลทัทธิภายนอกถ้าพูดแรงๆก็บอกใช้ไม่ได้ถ้าพูดตามภาษาพุทธศาสนาท่านบอกว่าวาสนามีไว้สําหรับแก้ไขไม่ใช่มีไว้สําหรับแข่งขันจะไม่เคยให้ไปแข่งขันกับใครวาสนาแล้วก็ต้องแก้ไขปรับปรุงสิไปมัวจะไปแข่งกับใครทําไม ปรับปรุงตัวเองแก้ไขพัฒนาตัวเองต่อไปว่าสนามก็ดีขึ้นแต่ว่าตอนนี้สําคัญก็คือคนไทยไม่รู้ไอ้ตัววาสนามันอยู่ที่ไหนไป น, นึกว่าวาสนามันลอยลงมาจากฟ้านนไม่ไม่เกี่ยวกับตัวเองที่จริงวาสนามันเป็นเรื่องของกระบวนการของกรรมนี่แหละอยู่ที่ตัวเราเราแก้ไขปรับปรุงได้ถ้าเป็นพระอรหันตแลท้ทละวาสนาดินะพระพุทธเจ้านี่ละวาสนาหมดเลยละกิเลสพร้อมทั้งวาสนาได้หมดพระพุทธเจ้า เอ๊ะทวาาสนาดีอุตส่าห์มาแข่งแทบตายพระพุทธเจ้าละหมดมาเรื่องอะไรกันนะถ้านะโยมเคยประหลาดใจไหมว่าเอ๊ะเราแข่งวาสนาเราอยากจะแข่งเรือว่าเขาไม่ให้แข่งก็ไม่ของดีแท้ทาไมพระพุทธเจ้าละวาสนาหมดแลนะพระละหันก็ละวาสนาได้เกือบหมดเลยนะเหลือแต่วาสนาที่มันละเอียดอ่อนละไม่ได้หมดไม่เหมือนพระพุทธเจ้านี่ละวาสนาได้หมด ฝากให้โยมเอาไปพิจารณาว่าวาสนาที่แท้คืออะไรทําไมเรามาว่าอยากจะมีวาสนานักพระพุทธเจ้ากลับละวาสนาหมดแล้วก็ทําไมพระจรึงบอกว่าวาสนานั้นมีไว้สำหรับแก้ไขไม่ใช่มีไวแ้ไวแข่งขันจะว่าเป็นปริศนาก็แล้วแต่ให้โยมเอาไปพิจารณาวันนี้จะไม่อธิบายเรื่องนี้อันนี้ก็ ขอฝากเป็นเรื่องสุดท้ายว่าสังคมมีปัญหาอย่างหนึ่งคือการที่มาพยายามแก้ปัญหาการพยายามแก้ปัญหานั้นก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนโดยตัวของมันเองปัญหาเราเยอะแยะอย่างเวลานี้ยาบ้าเป็นต้นเป็นปัญหาเรื่องอาญา ก, กรรมลูกเอด็ดอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดปัญหาสังคมไทยมากมายตลอดจนกระทั่งทะเลาะกันไม่เว้นวัน นี่ปัญหาต่างๆเนี่ยเราก็พยายามแก้ในที่สุดการแก้ปัญหาน้อกลายเป็นตัวปัญหาเองเจียมโสภาละบนกับการแก้ปัญหาแล้วก็อยู่เนี่ยวนกันไปเนี่ยแก้ไม่ตกวิธีแก้ปัญหาที่ดีนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือแก้ปัญหาโดยไม่ต้องแก้ทําไงให้ปัญหาเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องทางลบ เราต้องการจะให้หมดไปแต่เราจะมัมารบกาเรื่องไม่ดีอยู่เนี่ยมันก็บุ้นวนอยู่เนี่ยไปไม่รอดแต่ไม่ใช่หมายความว่าทิ้งนะไม่ใช่หมายความว่าไม่เอาใจใส่ก็แก้ไปแต่ว่ามอบหมายหนะ้าที่หรืออะไรก็ทำไปแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทำที่แก้ปัญหาแท้เนะี่ยคือการทำอะไรใหม่ๆที่เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นมาการทำการสร้างสรรค์ที่ดีงามยิ่งใหญ่ มีอะไรให้คนทำขึ้นมาเนี่ยเพราะเอาจริงถ้าคนเห็นคุณค่าสิ่งนั้นจริงนะมาระดมกันไปทำสิ่งนั้นไอ้สิ่งที่เป็นปัญหาที่มันบุ้นมันยุ่งกันอยู่เนี่ยมันเลิกไปเองมันลืมทำไปมันลืมมันลืมสร้างปัญหาที่มันมัวยุ่งปัญหาอันหนึ่งเพราะมันไม่มีอะไรจะทำเมื่อมันไม่มีอะไรจะทำมันก็มายุ่งทาปัญหากันอยู่นี่เราก็ไปมัวรบกับปัญหารบก็ไม่รู้จักจบ นั้นวิธีแก้ปัญหาของท่านที่สําคัญคือทําอะไรใหม่ๆขึ้นมาที่เป็นการสร้างสรรค์อย่างสําคัญจนกระทั่งคนเนี่ยไปเอาใจใส่กับสิ่งนั้นเพราะเราไปมัวทําให้การสร้างสรรค์นั้นมาเราก็ไม่มีเวลาจะมาทําไในปัญหาสิใช่ไหมอันนี้ปัญหาก็จึงจะหมดไปเช่นเด็กตีกันมันไม่มีอะไรจะทําแล้วกันมามองหน้ามองตากันขัดแย้งกระทบกระทั่งกันไปมากั็ทะเลาะกันไป พอมันมีอะไรจะต้องทำมันกลายเป็นมาร่วมสามัคคีทาด้วยกันเลิกกันไปสักทีแล้เรืมทะเลาะฉะนั้นอย่าโม่ไปหาทางสารบนกันอยู่กับการแก้ปัญหาแต่สิ่งที่ต้องทำคือคิดว่าจะให้ทำอะไรอันนี้ยากที่สุดเลยแต่เป็นหน้าที่ของผู้นำหมู่ชนสังคมทั้งหมดที่จะต้องคิดว่าจะทำอะไรที่จะให้สังคมมีทางเดินไปข้างหน้าที่จะให้คนรวมใจรวมความคิดรวมปัญญามา สลัเดี่ยวแรงกำลังร่วมกันแล้วสังคมก็จะเดินหน้าไปปัญหาต่างๆจะลดน้อยไปเองจนกระทั่งบางอย่างนี่ลืมไปเลยไม่รู้ว่าปัญหาหายไปเมื่อไหร่แต่ถ้ารบกับปัญหาอย่อย่างนี้และสา ร, ระบนอยู่เนี้ยไม่รู้จักจบนั้นแก้ปัญหาด้วยการทำการสร้างสรรค์จะเป็นทางที่สำเร็จผลดีกว่าวันนี้ก็ขอโนโมทนาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกา ทุกท่านที่ได้มีน้ำใจต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ถือเป็นความจงรักภักดีก็ในฐานะที่ทรงเป็นคู่บุญขององค์พระผมุกก็เป็นตัวแทนของประเทศชาติท่านทั้งหลายก็เท่ากับต้องมีน้ำใจหวังดีต่อประเทศชาติก็ต้องมาช่วยกันสร้างสารรค์สังคมของเราขณะนี้สังคมกาลังมีปัญหากำลังมีทุกข์ภัย พุทธศาสนาสอนว่าทุกภัยแม้แต่ความตายเอามันมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพราะนั้นเรามาเจอทุกภัยคราวนี้แล้วเป็นเคราะห์ก็ต้องพลิกผันทําเคราะห์นี้ให้เป็นโอกาสพูดกันมานักหนาว่าวิกฤตเป็นโอกาสพูดกันมานานตอนนี้ควรจะก้าวต่อไปคือไม่ใช่พูดอยู่แค่ว่าวิกฤตเป็นโอกาสหรือทาเคราะห์ให้เป็นโอกาส แต่ทำไงเราจะใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์ให้เป็นผลเพราะติดอยู่แค่โอกาสแล้วก็บอกเป็นโอกาสแล้วไม่ใช้โอกาสสถทีก็วนอยู่นี่เหมือนกันโอกาสถ้าไม่รู้จักใช้คนเราไม่ใช้โอกาสทั้งๆที่มีโอกาสก็ตกอยู่ในความประมาทเพราะตกอยู่ในความประมาทโอกาสที่มีก็กลายเป็นเคราะห์ก็เสื่อมอีกเพราะฉะนั้นอย่าไปมัวเพลิดเพลินว่ามีโอกาสอย่านึกว่าวิกฤตเป็นโอกาสก็พอแล้ว โอกาสนี้อาจจะเป็นโอกาสแห่งความเสื่อมก็ได้คือเป็นโอกาสที่ไม่ใช้แล้วก็หลงงัวเมาประมาทเสื่อมไปเพราะฉะนั้นจึงต้องก้าวอีกขั้นหนึ่งจากวิกฤตเป็นโอกาสก็คือตอนนี้จะใช้โอกาสอย่างไรต้องมาพูดกันให้มากว่าจะใช้โอกาสกันอย่างไรก็คือการเดินก้าวหน้าโอกาสอย่างหนึ่งก็คือโอกาสในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและสร้างยุคใหม่ของสังคมไทยอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่แหละ จึงจะเดินหน้าไปได้เไมะงั้นก็พูดกันโอกาสโอกาสก็แล้วก็ไม่ไปไหนขอให้เรามาใช้โอกาสกันสักทีหนึ่งสร้างสรรค์เริ่มตัด ก, การเลี้ยงดูเด็กในบ้านอย่าเลี้ยงดูหนึ่งไม่เลี้ยงดูทอดทิง้งสองเลี้ยงดูบบสุดตงรงปลนเปลือยบำรุงบำรือให้เป็นนักบริโภคเป็นผู้ไฝ่เสพอ่อนแอแต่ต้องให้เป็นผู้ฝ่รูปฝ่สร้างสรรค์สู้สิ่งยาก มีความเพียรพยายามที่จะทำการให้สำเร็จแม้แต่ทีละเล็กน้อยและรอรับผลระยะยาวได้เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราทรงบำเพ็ญบารมีจนกระทั่งสำเร็จมีกำลังใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาและพลิกสถานการณ์ที่เป็นปัญหาให้เป็นปัญญาให้เกิดประโยชน์ให้สำเร็จได้ก็อขอโมทนายครั้งหนึ่งต่อญาติโยมทุกท่าน ขอให้ทุกท่านซึ่งมีพื้นดีอยู่แล้วคือมีกุศลเจตนามีศรัทธามีคุณธรรมก็ขอให้คุณธรรมเหล่านี้เจริญ ง, งอกงามเบ่งบานออกมาพริผลออกมาให้เป็นประโยชน์กับชีวิตและสังคมอย่างแท้จริงขอขอคุณพระจนตรัยอภิบาลรักษาให้ญาติโยมสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านท้งในที่นี้และทั่วประเทศชาติสังคมไทย และแผ่จิตใจไปยังมนุษยชาติทั่วโลกด้วยขอทุกคนที่เป็นเพื่อนร่วมกฎธรรมชาติคติธรรมดาคือเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันจะมีจิตใจปรารถนาดีมีเมตตาเมตรีต่ อ, อกันและช่วยกันสร้างสรรค์ทำประโยชน์สุขให้แก่ชีวิตและสังคมก็ข อ, ขอทุกท่านเจริญงอกงามด้วยจตุรพิธอพรชัยมีกาลังกายกาลังใจกาลังปัญญา และกำลังความสามคัคคีที่จะแก้ไขปัญหาและทำการสร้างสารรค์ชีวิตและสังคมให้บรรลุผลอันดีงามมีความร่มเย็นเป็นสุขในพระธรรมของพระสมมาสัพพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านทุกเมื่อเทิน